ราธรรมเตสนามโหสจาดกจอมปราดแห่งมิถิลาภุติฮกฟังแล้วเกิดพ ญ, ญาปัญญาปาหฮุชลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยปออินสมชัยชมพูปเปรียนทำฮกประิยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจวัดเจียงายอะโม อาตาสะภากวาโตอะราหโตสัมาสัมพุทธะราชาสุวรรณพิงคารังอาตาญาติสาทาธุดุราสปูริตาตั้งหลายตั้งนิ่งใจใหญ่น้อย ใจไฟหอยต่างบุญเฮตานนุนบ่กขาดคือใส่บาตรโยตานยังพิกขาหานเข้านำวัตถุพัมตามมีสีดวงดีด้าแปดใดกดแขวดกับตัวบ่อเม่ามัวผามาตบ่อละขาดผ้าวานาฟากันมาพอหน้านั่งอยู่ท่าฟังธรรม จุงดาจำติดต่อ ต, อตามบาดคอบาดีว่าราชาสวรรณ์นนพิงขารังอาตายาดังนี้เป็นตนบทนี้แด่เตอรราชาอันว่าพญาวิเตหราชฟังเจ้าน้อยนาดไข่กำจริงเอาข้าออมคำก้าใหญ่น้ำหอมใสเต็มตัน ือคนหันที่แจ้งญาติลงใส่เมื่อแห่งเศรษฐีเ จ, จ้าปุรีที่ราชก่อโอกาสจะไขว่าแต่นี่ไปเป็นเก้าเอ่อเป็นเจ้าเศรษฐีนิงใจมีจุทานอันอยู่ในบ้านป่าจินยาวมัชฉกาม สวยไร้ลายลามบากเต้าหือเป็นสวยเจ้าเศรษฐีกันไขว่าตีเบี้ยแล้วเต้าต้นแก้ววิเทหราชก็หือดาแต่งไว้ยังเครื่องใจอลังการย่อมเจียงคานจูสิ่งมีกายิ่งหลายอันฝากไว้ปั่นแถมเล่าหือแก่แม่เจ้าบุญนำ แล้วใครกำตานต่อขอเอาเจ้าน้อยนอมโหสถดกุ ม, มารผู้จะนานฉลาดมาอยู่ภาสาดพังกาเป็นโบตาลูกเตาหืออยู่เฝ้าหอนให้เศรษฐีใครตอบท้อยว่าโลคายัางน้อยเดือดใจกันมีไว้ขึ้นใหญ่กาละไขวเตึงตัน <c oughs> ก้อยนำมาปันตันเต้าตนภาพดาวป่าราเต้าก็จะตอบหอยว่ายาจงหอยอะไรแต่นี่ไปเป็นเก้าคือเป็นลูกเต้าตนกู จักกำจุเลี้ยงไว้ดังลูกในใสาดีลีพ่อเศรษฐีดักอยู่บ่อาัดอูยาวไปเจ้าห่อใจหูแลว้วใจของแผวยินดีจิ ง, งทรงเศรษฐีขึ้นสูยังที่อยู่เกหาสวนพีตาพอา่ขอเจ้าก็กมเก่าอันจุลีลาพระภูมิหยดเยาา โซนภาพดาวปาราเรียกลุกมาตีไกอุ้มกอดไว้กับตนใจเวิวนจองห้อยจิ้งก่าวทอยกําไปว่าเจ้าอยู่ในภาษาไก่เต้าไก่เต้าที่ราชาาอาญาสาคำเจ้าเต้าเจ้าเครื่องขีนมูนีหนุ่มเน่ากอตอบป่อเจ้าสายตา ว่ายาเวาวาไม่มารหรือคืดขวาดเครื่องใจลูกจักอยู่ไปสั้นพอตามดังปอสอนปันนอคุณท่านน้อยนาดเก่าเสียงขาดสุดกรรม ก่อหย่อมือต่้มต่างเกาไว้ป่อเจ้าบุญมีป่อเศรษฐีผู้ใหญ่ละลูกไว้หอคำป่าปรีวานำมวลหมูปอกขึ้นสู่เฮือนตนและนะ อาตาในกาละนันไซเต้าหยดใหญ่วิเตหราชก็เจียนจาตั้นต่อทมซึ่งนอมูนี้ว่าเจ้าบุญมีหน่อยหนาจักอยู่ภาศาสพังกาเรือภาธนาจักอยู่กับเจ้ามูแดนใดเจ้าก็ไขตอบเราว่าคาแดเต้าเจ้าเหลือหัว อันว่าตัวข้าน้อยมีกูหอยสะหายหากมากลายลำหมอกขออยู่ปายนอกขอใจเต้าก็ตามใจแห่งเจ้าฮืออามาเก้าต่างตาได้ริ่งด้าแต่งไว้ยังเฮือนน้อยใหญ่เร็วปันฮือหนอคุณทันได้อยู่กับเจ้าหมูสะหายก็มีหันและนะ อาตาในกาละนั้นยังมีกาตัวหนึ่งใส่ละหังไว้เมือนานบนต้นตาลสูงใหญ่ที่จิมไกโบกรณีน้ำใส่ดีใหญ่กวางที่จิมค้างหอคำมีแก้วคุณนำลูกหนึ่งโสดคือมนันดีจดงามตาเกิดในหังกาเก่าเกืือแสงสุขเรือเรื่องไร ยามตาวันใสแจ้งส่องเงาไปตกตองโบคารณีหันแต่ดวงดีหน่วยแก้วงามเลิศแล้วเจียงคานบ่หันต้นตานสักกากพอแล้วหากวันอ้ามคนหลายลามวลหมูอันมาสู่โบคารณีหันแก้วดีก้าใหญ่เกิดอยู่ใต้วังใส ต่างจากใครเหล่าเศร้าไปไข่ดาวธานีเจ้าปุรีวิเตหาราชก็เรียกเซนักกะนักผาดมาปัน่นแล้วไรปั่นกาวหือมันหูขีญาว่าจุงปิจารณาเอาแก้วอันเลิศแล้วเจียงคาน เสนากาจาจรผู้ใหญ่กอน้อมใบเร็วปันแล้วภายพันบอจ้าไปสุตาโบคารณีก็หันแก้วดีกามากตามเต้าหากไครจาบันก่อคือคนนานาหน่อยใหญ่พร้อมทวนไข่ ย, ยิงใจรีบคงควายหาน้ำออกเสียงซ้ำเร็วไว น้ำแห่งไปเสียงควายแก้วกาใหญ่หายตางมไปมาควายแล้วบ่หันหนวยแก้วแปลงเมืองมันยินเครืองลำหมกึืดบ่ออกตันพญากันน้ำมีมาแถมเรล่าก่อหันแก้วดังเก่าดีดีมันก่อไขวตีร้องบอกคือฮะน้ำออกเร็วไว น้ำแห่งไปบอจ้าแก้วหลอดฟ้าหายตางุมไปมาไข้แล้วบอดป้า่วยแก้วดังใจคุดลงไปต่ำใ้ก็บอดจวบได้ดังไมยก็นนํำมีลายดังก่อนเต็มไข้บอลโบคารณีแก้วดวงดีผ่าเสิดก็บังเกิดหันมาันรีบจาร้องบอกฮักน้ำออกเรียวปัน กบ่หันดังเก่ามันยะดังนี่เล่าลายหนจุ่มหมูคนน้อยใหญ่อิจหอดไข้ยิงใจมันหืดลายนักแก่บ่อจ่างแก่สันใด จิงจากไปขับไปบอกเตา่าไทยตามมีเจ้าปุรีวิเตหราชก่อประเจ้าน้อยนาดบุญนารีไปกล้าไปพอหฮือแจ้งต่อตาตน <c oughs> นอตสะปนพ่อไข่ก่อหูได้บัดเดียวจริงรีบเร็วก้มเก้าว่าคาแดเต่าเจ้าปุรีในโบคารณีนิสัย บ่มีแก้วกาญ่แป้งเมืองกาต้าบุญเรืองยศใหญ่ไข้หัไข้หันใสเอาทะไลเคยใจบ่น่อยใหญ่ป่อตาใสน้ำมาตังไว้ที่จิมไก่บ่คารดีจักหันแก้วดีเลิศแล้วบ่กาดแก้วดีลีเจ้าปุริทิราชฟังเจ้าน้อยนาดจาไข กอคือคนเตรียมใจแขวนใจดาแต่งไว้สะพันเต้าก่อหันแจ้งทีดังเจ้าจี้ใครจาคือหันรัตนาหน่วยแก้วงามเลิศแล้วเหลือใจ อยู่ในท่าไลตั้งไว้ดังจักยุบใดดีลีเจ้าปุริถามต่อว่าดุราเจ้านองกุมารแก้วเจียงขานวิเศษบ่มีในเขตบุคคลนี แก้วดวงดีลิ่ซนอยู่ในบ่นใดเจ้าเจ้าก็จะตอบถอยว่าคาแดต้าโยอดซอยผู้มีอันว่าแก้วดวงดีผ่าเสืดมีกุณเลิดเจียงคาน อยู่บนต้นตาลแต่ใส่กันไข่หูไข่หันใสจุงคือคนมีใจอาจกาขึ้นไปกำกว่าลงมาเจ้าปารานยศใหญ่ก็แต่งใจคนหาน ขึ้นต้นตาลบ่จ้าหันต่อนาบัดเดียวมันรีเปรียวกำไดยังแก้วกาใหญ่ลงมาดังเจ้าจากเกาอ้างบ่วิตว่างเสียไหน เจ้าหอใจวีเตหาราตังอามาดดวงหลตั้ ง, งยิงใจน้อยใหญ่กาอันใดมาหันต่างปากันจืเยาวสาธุเศร้านั่นเนืองพงก็คือเฮืองเฮาหาดดาเสนากนักพาตนาหน้าวาสันได้จานักพาดบ่อฉาลาดจบทองบอ่อหูทาริปองสันสง้นทรง บอกหูจ้องอุบายคนด่าตายมวยมางย้อนหานนำกวางบอกคารณีบอกควรดีเลี้ยงไว้เป็นนักผัดไนอาจารย์กัวเน่ากุมมานได้เล่าเป็นนักผัดก็แต่นมันเจ้ า, าจันยศไนมีใจไฟยินดีปีติมีลายแล ต้าจากแพ่ตกปันยังรางวันอันใหญ่แก่หนอพระติวัยท่ารงยานก็ถอดบุกด้าหันสายซอย อ, อัอนใสห้อยคอตนหนอตสะปนบ่จ้าหันต่อหน้าคนลลยตั้งสะหายแห่งเจ้ามีมากเต้าป่อปันเต้ากอปันเสียงไข่บ่อเว้นไว้คนใด ทัดน e <c ười> ั้นไปแถมเหล่าก็งฮื้อเจ้าบุญมีเป็นเสนาบอดียศใหญ่อยู่ตีไกลเตรียมตนกมีหั่นเลยนะเทกตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งเหล่าเต้าเป็นเจ้าปารานำหนอพุทั่นน้อยอ่อนไปสู่บ่นอวิญญาณ จมดวงบ้านหลายสิ่งกันท่านห่ิงลายสีดูงามดีเป็นท้อยต้นใหญ่น้อยเป็นข้าบวนอันจะส่วนแก่นใจหากอยู่ใกล้ปัดป่วยังมีจักกาตัวหนึ่งใสอยู่บนเสาใหญ่หิมตางยามเจ้าห่อขวางเตี้ยวสอดพดมารอดกองตา มันลงมารีบพาวนอนไก่ตีนตะหมอบไก่ตีนเต้าบัดเดียวเต้าก่อเล้วทำต่อซึ่งเจ้านอบุญ น, นาว่ามันเงี่ยสั่งจาดังอีเจ้าก็อจี้จาใครปันว่ามันได้หันเต้าเจ้าตนเป็นเก้าเวีงยงใจ มันมีใจจืนญยาวไขอุปถากต้าดีลีเจ้าปุรีต่อทอยว่ามันเป็นสัตว์ต่าต้อยสามารถยังมีใจปานบ่อพากไขอุปถาตัวเรากวรจักเอาสั่งเล่าคือนำเข้าปัจจัยหรือของใดอันอื่นมายกยืนตกปัน เอื้อตัวมันอิ่มใสบ่ฮอ้อนไม่เครื่องขีนอหมูนีตนาววาา้ต้านกล่าวว่าข้าแด่เต้าผู้บานสัตตริชานนิไสบ่กินลูกไม้หัวมันใจมันพันไฟเอื้อแต่กินเนื้อได้ได้เต้าบุญภัยที่ราดก้อผู้ฉลาดก็ทตำการ แต่งอาหารเบียดไว้พื้นันเลี้ยงใสต่างวันคือเต้าปั่นปงขาดอืออามาต่างตาายเงินขาบ่มา ก, กะกะนีกะหากเป็นไม้เือคนใจแก่นใจซสื้อจิ้นไว้ต่างวันแล้วนำไปปัน่นจะใจบ่ขาดใดวันใดกันเจ้าหอใจมารอด มันได้ต่อตาหันก็ภายพันรีพาวมาไว้ตี่นเต้าราชาดังปกติมาแต่ก่อนบ่ยังยอนวันใดยังมีในวันหนึ่งเล่าเป็นวันบ่เศร้าเจียงจินคือเป็นวันศีลวิเศษคนจุเขตปาราเวนปานาติบาจิ้นลวดขาดหายหน ส่วนว่าคนแก่นใจหากินบ่ได้ดังใจก็เอาเงินใสกะน้อยมัดเจีอกหอยขอมันแล้วภายพันขึ้นสู่ยังติโยเกหาจักกาปาลาใจถอยกันได้หอยเงินใสลวดมิใจจมจื่อยอขอยืนไปมา อวดเงินคาเต่าก้อยอันคนเอาหอยขอมันฮือคนหันเสียงไข่มีมานะใหญ่ยยเหลือหลายว่าเต้าบุญภัยวิเตหราชเจ้าภาสาัดผังกามีเงินคามากเต้ายังบ่อเต้าตัวเรามันมัวเมาลายหลากมาหนะมากนำนา ยามดันนาตันเต้าตนภาพดาวปุรีกับนอมูนีบุญใหญ่พดมาไก่ตัวมันมันได้หันเต้าไทยลวดบ่ไตลงมา กอไก่กาเรียพาวมาหมอบไก่เต้าหอจันดังตั้งวันเมื่อก่อนเต้าอยู่แต่บนลไปบนย่อข้อตนจะใจเฮอเต้าไทยเล็งหันเจ้าหอจันวิเตหราจริงถามเจ้าน้อยนาบุญนาวาจักกะตัวหนีนาเมื่อก่อนเรามารอดบนแดนมัน ย่อมภายพันรีพาวมาหมอบไกลตีนเต้าเร็วไว้เป็นสันไดวันนี้มันหันทีกับตาบอลงมาแถมเราอยู่ที่เก่าไปบนย่อขอตนยืนขึ้นดังพอที่อื่นแดนไกลมันเป็นสันไดใส่ซอยเอาเงินหอยขอมัน นอกขุนทันนมเล่าขาดหูก้าอาการจริงทุ่นสารขับไยว่าข้าแด่เต้าไทยผู้มินรอยว่าวันศีลวันก่อนคนจูบ่นปาราเวนปานาติบาจิ้นลวดขาดหายหุนส่วนว่าคนแก่นใจหาจิ้นบ่ได้ดั้งใจจริงเอาเงินใสกาน้อย หมามัดหอยขอมันมันได้หันจื่นสู้ใจลิ่งลูยินดีว่าเงินมันมีมากเต้าเต้าเ ต, ต้าเจ้าปารามันหันเต้ามารอดไกล่ลวดมีมนะนามานะาใหญ่เลือตนจิงบ่เรีรุนรีพาวมาหมอบไก่เต้าดังออน ตาโอฟูทรวิเตหาราดบ่อเสียงขาดสังกาจริงเรียกหาคนใจอันแต่งไว้กะําการคืออาหารจักกามาต่อนาบัดเดียวแล้วจารีวทําเหล่าตั้งแต่เก้าสุดปลายมันก่อท้าวัยขับไว้บอกเต้าไทายปาราดังหนอพุทธาบุญกว้าง ได้เก่าวอ้างจูพการเต่าผู้บ้านฟังแล้วใจผองแผวเหลือลายจริงจักไม่ผงขาดอนุญาตกำไปว่าเฮือสวยไรมวลโมอันเข้ามาสู่ปุรีจัดนับมีเสียงไข่สีพระตัวใหญ่เวียงใจเฮือเจ้าใส่ใจบุญใหญ่ได้ใจใจตามมี เจ้าปูรีนยอดยดยินคิวโคดเครื่องกาว่าจักกาปาลาใจถอยบอกควรได้โดยอาหารดังจักงดราชจะตานต่นจีนหื่อมันขาดดินบำบายเจ้าบนภัยตอบเล่าว่าข้าแดดเต้าเจ้าผู้บ้านอันว่าสัตติรัชชานน้อยใหญ่หาพระญาบอได้ดีลี พระผู้มีที่ราชบอกกวนงดขาดราชจะตานเต้าผู้บ้านยศใหญ่ก่อคืดไข่คนิ่งนานเล็งหันใส่แจ้งทีดังเจ้าจีา้ไข่ฟันดวดฝ่ายพันขคืนสู่ยังที่อยู่หอคำก็มีหันแลยนะ อาทาในกาละนั้นเล่ายังมีใจหนุ่มเนาแร่วร่ามักคานางามลายหลากจือปิงคุดตะหากเป็นไม้มันผ่านภายกาภากออกไปจากเมืองมิทิลาเปื่อไก่กาต้องเตจไปส่เขตักกะศิลนานกรเพื่ออาจานสอนสิปาสตรต มันพ่าญาเตียวไว้เฮียนอันใดก็ใดจบเสียงไขวจูภาการจริงลาอาจารย์ผู้ใหญ่ว่าข้าเฮียนใดดังไม้ขอพันภายขึ้นสูญังที่อยู่เดิมอ่อนอาจารย์สอนผู้ใหญ่ขานิ่งไขวไปมาธรรมาดาริดเก่าว่าลูกสิท์เก่าคนใด เียนเรียวไว้จบจอดแม่นเป็นคนหิวหอตกผ่านหรือเป็นลานลูกเต่าตนผาบดาวปุรีกันอาจา์มีลูกเต่าเสืบเชื้อเผาเป็นยิงหฮือไปปิ้งรวมซ่อนอยู่ในบ่นเดิมทีจารีดมีดังดีบ่อลับลี่นี่าย อาจารย์หมายหูรอดจักปัญยอดที่ดาพงมีไวัวหนาขึ้นใหญ่อายุได้สิบหกปีชมงามดีบ่อ้อยจริงเก่าทอยกำงามบากันตนใจรำจากภาคลาไปจากอาจารย์จุงเอานาั่งลงคานหนุ่มเนาอันเป็นลูกเต้าตนเรา ไปปิ่งเป้าแนบข้างรวมก่อสร้างแป้งปั้นเราจักปั้นยกยืนด้วยใจจืนยินดีตามพระเพณีแต่เก่าบอกพิษรีดเก่ากองงาม ส่วนใจรำหนุ่มเนาฟังอาจารเฒ่าไข่ปันใจบ่หวั่นไข่ใดยังนางนัดให้าชมสีย้อนกาละกินนี้ตัวถอยติดจองห้อยหัวใจ มันจะไขต้านต่อว่าบ่าเอานังงนอนองคานก็กลัวอาจารย์ห้ามขาดบ่กฮอย่ายบาทขึ้นหลังเต้าดักฟังจัก ว, า, า, ว า, ายบ่หวาไรแลดีสุวรรณดารีนมนาวโลกแข่งเจ้าอาจารย์มีสมปานหลายแล่กวรเป็นแม่เทวีสิริมีบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเดิมมา ฟังพ่อจะบอกเราแก่ใจหนุ่มเนาแดนไกนางบอกไข่ตั้นต่อยอมตามป่อไข่คำยอดกวัวเป็นคำยาปลายตัวตอบสายเบียนขี กันรอยที่มารอดเขายังจอดนอนในใจแดนไก่นอนก่อนนางน้อยอ่อนนอนโดลมันบอมีบุญสักกากใจมันหากเววาบอปีญนาจองหอยยังสาวอ่อนน้อยชมสีมันก็หนีลาผากลุกลงจากจองนอนเอาแต่มอนกับสาสนอนจัดลาดแดนไก่ นางตวยไปแถมเหล่ามันก็ปอกติเก่าจ้องนอนสรีบางอ่อนมาไกลมันลูกใดบัดเดียวแล้วรีบเรียวใหญ่บาดไปนอนศาสต์เดียวได้เจ็ดวันใหม่ควบไข่มันบอกไก่ตัวนางสรีคิงบางกินกู้กอควาดหูในใจ ว่าใจแดนไก่นีใสมีกาละกินนีใหญ่ติดตัวได้มันเป็นผัวนี่เล่าย้อนป่อเจ้าปงปันกันเจ็ดวันคบไข่มันก่อขับไว้อาจารย์นำนางลงคานน้อยอ่อนเปื่อปอกบอนมีทีลามันไ ก, ก่กากนหน้านางหนอลาจอมหลัง บอ่อเกิดวังเรียวพ อ, อนังดังนอโสภาบอ่อไค่จาต่อทอยกับนั่งยอดซอยนงไว้กันนา่งไข่ทำเข่าวมันก็บอ่อเก่าวไขปั่นยัางเรียวปั่นบอ่จอจ่อต่อเต้ารอดอยามแรงตาวันแดงย่อนหอยดาลับเหลี่ยมน้อยอยู่กันทอน ต่างคนต่างนอนในป่าบอดจาตอบตาวาตีกันร้ทีเสียงแลออกก็กาดแกอภัยพันไดสามวันคบไข่จิงมารอดเมืองใหญ่มีทิลาณนคร ยามตาวันตอนร่อนไม่มันแสบใส่นำนาเหตุพ่จานาะเข้าน้ำหมดเสียงซ้ำจูอันใจเป็นควันเอาไม่ร่อนแสบใส้เดือใจมันแลไปตีไกหันต้นเดือนใหญ่ดูงามลูกหลายลำใหญ่ยยน้อยสุขหอยย่อยเป็นสายมันพันภผ่เข้าไก ขึ้นต้นเดือใหญ่บัดเดียวบิดรีเปรี้วใส่ปากย้อนมันอยากดาตายส่วนนางบุญไผยหน่อเน่าอยู่ปืนเก้ารุกขาก็เจียนจะาบอกเล่าว่าขอพี่เจ้าจอมควันจุงบิดปันข้าน้องอันหอนต้องนำนามันก็จะตอบถอยว่าดูรานางถอยกาลี มือนางมีตั้งกูตีนนางมีอยู่ตั้งสองสังบอปองก็ไตขึ้นมาเลี้ยงใสเองเดียวนางตาขิวอ่อนน้อยได้ยินท้อยกำมัน <c oughs> ก็ก็้อยก็พันดันสอดขึ้นไปรอดไปบนใจตาร้นบาปเศร้าหันหนังงนอเนาบุนนาต้วยขึ้นมาต่อหน้าอยู่บนขาลูกขามนรีบลงมาไปไต้ตัดนม้มถมไว้จูายแล้วเล่นพันภายไปสู่ยังที่อยู่เฮือนมันละสี่สุพันหนอนเนา ไว้บนเก้ารุกขาหนั่งลงมาบ่อใดน้ำแหวดไว้จูปลายเป็นตุกไหลบ่อโนยใจต่ำก้อยเรยรน่นเี่ยกตนทาทาบน้ำตาปลฟปังก็มีหันและนา อาธาในกาละนันไซเตาหยดใหญ่วิเตหราชานำโยธามวลหมูออกไปสู่วิญญาณเพืือสำราอยั่งยอนกันตาวันคอนลงแรงตนจอมแป้งเจ้าฟ้ากออยหยนาขึ้นมาตามมักกาตั้งไตได้ยินนางให้เรยรน จริงเหอคนแก่นใจเรียบซาซายไปถามน้ำนางงามมาเคลื่อลงจากต้นเดือมาปันเต้าเล่งหันนางนาดวันดาวิลาดาใจจริงจะใครทมข่าวนางก่อไว้เ ต, ต้าตามมีเจ้าปุรีหูแล้วใจข่องแผ่เจยบาน หือนางนองคานบุญกวางขึ้นขี่จ้างเตรียมตนนำรีปนมวนหมู่เข้าไปสู่เวียงใจแล้วเรียวไว้ป่งขาดหือไพราตโยธารีบอุตสาพิเศกอติเรกทุนควันยกสีสุพันนดอเดาเือเป็นเก้าอักกามะเหสีใส่น้ำดีแถมไหมว่านางนาไทยอุตุมปน เหตไดสรีบังอ้นอาคือมาจากต้นเดือเป็นไม้ก็มีวันนั้นและนะเนทิตังขียาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุมโหสดผูกทวนหกกาละกินนีตกจองหอย ยังใจถอยกะนี้มันหาสรีบ่ใดหลวดละนังไว้นี่ไปส่วนสีนองไว้น้อยเนตมีสรีวิเศษติดตัวเจ้าเหนือหัวหันแล้วใจฟ่องแผ่เจยบ้านนำนางนองคานหน่อเน่าไปเป็นเก้าเทวีจักให้รือดีไปนา อดใจทาดาฟังพวกนี้ยังไปแจ้งแควฟังแทงไปนุ้นก่อบังก้มสมเร็ดเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนและ